เสียงอ่านหนังสือเจ็ดวิธีตายอย่างสบายใจงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉสำหรับเสียงบรรเลงเป็นโนเป็นฝีมือของคุณแบงค์โมดิฟายหรือตองพีที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดนำมาประกอบต้องขออนุโมทนาและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ สามารถนำไปเผยแพร่ในทุกช่องทางเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นดาวน์โหลดสิงอ่านเชิญคุณธรรมอีกมากมายได้ที่ jocho.net พิมพ์ภาษาไทยว่าโจ h o ค้นหาใน Google ได้เลยนะครับก่อนที่จะได้ฟังเนื้อหาจากหนังสือจากคุณดังตรินในฐานะผู้อัดเสียงขออนุญาตกล่าวถึงหนังสือเล่ม น, นี้สักเล็กน้อยนะครับ หนังสือเล่มนี้หลังจากอัดเสียงและเปิดฟังระหว่างทำงานมานานพอสมควรก็พบว่าเป็นหนังสือที่เนื้อหาดีมากแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนป่วยใกล้ตายอย่างที่เข้าใจกันและน่าเสียดายมากอาจจะต้องรอให้ใกล้ตายก่อนแล้วค่อยฟังเพราะอาจไม่มีเวลาเตรียมตัวได้มากพอโมรณา น, น, นุสติเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและแนะนานให้มีอยู่ทุกลมหายใจของทุกคน ให้มันนำมาระลึกเสมอๆซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาจิตในหลายด้านเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ง่ายในทุกวันทุกเวลามีอา น, นิสงส์สูงกว่าการบริจาคทานวันละล้านทุกวันตลอดชีวิตซะอีกนะครับเป็นเส้นทางแห่งการบรรลุธรรมที่จำเป็นมากและขาดไม่ได้หากต้องการพ้นทุกข์สิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนคือการระลึกถึงความตายแบบถูกต้องอยู่เสมอทุกลมหายใจ น่าเสียดายนะครับที่หลักคำสอนสำคัญของชาวพุทธกลับถูกบิดเบือนด้วยความงมงายผ่านคิดกันไปว่าการพูดถึงความตายหรือการระลึกถึงความตายเป็นสิ่งอับประมงคลหรือเป็นรางไม่ดีจนทำให้หลายคนประมาทในชีวิตและหมดโอกาสพัฒนาจิตหรือสะสมบุญเป็นสเสบียงไว้เพื่อตอนเองในหลายภพชาติข้างหน้าหากยังไม่บรรลุธรรมลองนึกลเล่นสิครับว่า ถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายวันนี้เราจะทำอะไรเราจะเห็นชัดว่าเราอาจจะขวนขวายทำดีกับพ่อแม่และคนที่เรารักมากขึ้นเราจะให้อภัยและปล่อยวางและกิเลสเบาบางลดลงแค่ไหนเพราะเห็นชัดว่าถ้าต้องตายก็เอาอะไรไปไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะโกรธจะโกงจะทำร้ายเขาและเห็นทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติ ซึ่งอาจทำให้จิตลอยจากการยึดติดทางโลกได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ทำไมเราไม่เคยเตรียมตัวที่จะตายกันจริงจังหนังสือเล่มนี้จะสอนให้ทุกคนได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทและเตรียมตัวฝึกฝนแบบง่ายๆและทำได้จริงซึ่งสิ่งที่ได้จะส่งให้เรามีสติและมีแนวทางมีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น และรวมถึงหากต้องตายไปวันใดก็จะตายอย่างสบายใจและไปสู่สุกติได้ไม่ยากจิตสุดท้ายก่อนตายสําคัญที่สุดหากจิตผ่องใสก่อนตายก็ยืนยันได้ว่าจะได้ไปดีแน่นอนหนังสือเล่มนี้จะแนะนวให้คุณรู้จักการทาจิตให้ผ่องใสอยู่เป็นประจำเพื่อรอวันสุดท้ายที่จะได้ไปสู่ความสุขที่มากมายกว่าที่คุณคิด และบทความในเล่มนี้จะดียิ่งขึ้นสำหรับคนที่กำลังหมดหวังในชีวิตอยากตายหรือกำลังป่วยใกล้ตายก็ตามซึ่งจะช่วยส่งเสริมกำลังใจและเสริมสร้างกำลังจิตให้คุณได้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยและไม่ต้องเป็นลำบากแสนสาหัสในภพชาติข้างหน้าอีกยาวไกลสำหรับคนที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะครับอาจจะฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรเพราะคิดว่าตายแล้วก็ศูนย์ หลายคนคิดว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่กลับชิงปฏิเสธสิ่งที่ตนเองก็ยังไม่เคยพิสูจน์ชัดว่ามันไม่มีจริงซึ่งผิดหลักของวิทยาศาสตร์อย่างมากลองเปิดใจศึกษาปฏิบัติและพิสูจน์ด้วยตนเองก็จะรู้ชัดครับว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ซึ่งปัจจุบันนักวิทย์ของต่างชาติต่างสนใจศึกษาเรื่องจิตจนพิสูจน์ได้ชัดว่าอารมณ์แต่และอย่างเป็นคลื่นพลังงานต่างกัน ส่งถึงกันและมีผลต่อจิตอีกฝ่ายหรือวัตถุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันได้ในเรื่องพบชาติก็มีการพิสูจน์กันมากนะครับเช่นการสกวดจิตระลึกชาติซึ่งมีหลักฐานเอกสารมากมายที่พิสูจน์ได้ชัดและอีกเรื่องที่เด่นที่สุดก็คือศาสตราจารย์ในแพทย์เอียนสติเวนสันที่เดินทางทั่วโลกเพื่อพิสูจน์การกลับชาติมาเกิดแล้วสุดท้ายยอมรับว่าการกลับชาติมาเกิดมีจริง จากการเดินทางไปพบเจอเด็กเล็กจำนวนมากหลายร้อยคนที่เล่าถึงอดีตได้อย่างจะฉานและถูกต้องบอกความลับในอดีตของตนเองที่แม้แต่ญาติในอดีตก็ไม่รู้ยังมีกรณีที่พบเห็นได้อีกมากมายจากข่าวหน้าหนึ่งในไทยเองนะครับทั้งการมาเข้าฝันบอกว่าตัวเองถูกฆ่าตายแล้วฝังอยู่ที่ไหนซึ่งไม่ใช่แค่รายเดียวแต่รวมกันแล้วหลายรายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องผีหลายคนอาจจะค้านว่า ถ้ามีจริงทําไมเขาไม่เห็นของบางอย่างเนี่ยมันอยู่คนละมิติไม่ได้พบเจอกันง่ายขนาดนั้นหรอกครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดว่าถ้าเราจะฟังเพลงในคลื่น 97.5 แต่เราไม่เปิดเครื่องเล่นวิทยุจะได้ยินเสียงไหมและถ้าเปิดเครื่องแล้วเราไม่จูนคลื่นให้ตรงกับเลข 97.5 เราจะได้ยินเพลงจากคลื่นนี้ไหม ปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทำให้สิ่งที่อยู่คนละพบติดต่อกันไม่ได้มีอีกมากมากะจนต้องให้มาศึกษาและปฏิบัติกันเองเหมือนจะบอกว่ารสเปรี้ยวมีจริงอธิบายยังไงก็คงไม่เท่ากับให้คุณมาชิมมะนาวด้วยตนเองจริงไหมครับการตายก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่เหมือนการมีชีวิตใหม่ถ้ายังไม่บรรลุธรรม ทามองให้เข้าใจก็เหมือนเราเดินทางย้ายไปอยู่ต่างประเทศเท่านั้นเองเพียงแต่เป็นอีกโลกหนึ่งที่ตัดขาดจากโลกปัจจุบันเกือบสิ้นเชิงการเรียนรู้เตรียมตัวที่จะไปอยู่สถานที่ใหม่เป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตอย่างผาสุขจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและพร้อมจะจากไปสู่อีกโลกแบบสุขสบายใจอีกนานแสนนานอยากให้ฟังซ้าๆเรื่อยๆเมื่อมีเวลานะครับ แล้วคุณจะพบว่าชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อเตรียมตัวตายจริงๆโลกนี้คือละครที่ให้เรามาฝึกสะสมความดีแต่ทุกสิ่งรอบตัวกำลังหลอกให้เราหลงเพื่อเสพไปกับสุขที่ไม่เคยมีอยู่จริงเหมือนเราฝันดีแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็ต้องตื่นมาเจอความจริงว่าเป็นแค่ความฝันไปเท่านั้นเราจะมีสุขมีลาบยศแค่ไหนในโลกนี้ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องตื่นมาพบหลังความตายว่าที่ผ่านมาไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยร้อยปีในโลกมนุษย์อาจดูแสนยาวนานแต่แสนล้านปีในโลกหลังความตายยาวนานกว่าอย่างคาดไม่ถึงแล้วคุณจะมุ่งเสพสุขในชีวิตสั้นๆบนโลกนี้เพื่อไปทุกทรมานอีกนานแสนนานหลังตายหรือจะเลือกที่จะอยู่แบบสบายๆพอดีพอดี และเตรียมตัวสะสมวิบากดีลงในจิตเพื่อไปแสดงผลเป็นความสุขมหาศาลในอีกหลายล้านปีข้างหน้าหลังคุณจากโลกนี้ไปคุณเลือกทุกอย่างเพื่อตัวเองได้เสมอด้วยการทำวันนี้ให้ถูกต้องตรงทางขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผู้บันทึกเสียงโจโฉมกราคมพุทธศักราชส5ง เกิดมาเพื่ออะไรทำไมไม่รู้เธอจะลองคิดดู กวว่าจะรู้ว่าจะคิดได้ก็สายไปเสียดายเธอคิดชีวิตต้องอยู่อีกยาวไกลเสียดายคนตายเธอต้องจากกันไป ไหลัดตัวไม่ได้หลักใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นถ้าปล่อย